ถึงจุดหนึ่งะมันจะเห็นนะมันช้รุดสุดโสมลงไปนะพอขึ้นเลขสนี่ก็เริ่มโทมนะเลข5้าเนี่ยมจริงๆแข็งแรงที่สุดจไม่เกิน35เกิ 3, 4, น35นี่ก็เริ่มชารุดสุดโสมเป็นลำดับลาดับไปเียถ้าเรามามีสตินะมีวิธีปฏิบัติคนหนุ่มคนสาวคิดดูซิว่าเราไม่ค่อยทุกข์จริงไหมจริงลองนั่งลองนั่งนิ่งๆนั่งนานๆเดี๋ยวจะเห็นเลยนั่งแล้วก็ทุกข์นะ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 เวลาภาวนาก็จเจริญสติปั้นฐานสิถ้าเรามีสติรู้กายมีสติรู้ใจเรียกว่าเรามีสัมมาตสติถ้าเรารู้ความจริงของกายของใจเรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิใชนะในขณะที่เรามีสติรู้กายรู้ใจเนี่ยเราก็ไม่มีความดำริชั่วๆทั้งหลายดำริในกามดำริในพยาบาทดำริในการเบียดเบียนไม่มีเพราะมีสติอยู่สัมมาสังกัปปะมันก็มีอยู่ในตัวเองในขณะที่เรามีสติอยู่สัมมาวาจาก็เกิดเอง สัมมากรมมันตะสัมมาวาจาสัมมากรรมมันตะจริงๆก็คือศีหลห้านั่นเองมันจะมีอยู่เอง <ouse reasoning> สัมมาอาชีวะมันก็จะมีอยู่เองในขณะที่เรามีสติขึ้นมานะสัมมาวายามะก็มีอยู่เองสัมมาวายามะคือความเพลี่ยนชอบทันทีที่มีสติเนี่ยอากุศลที่มีอยู่จะดับอากุศลใหม่จะไม่เกิดอากุศลได้เกิดขึ้นแล้วกุศลที่เคยเกิดแล้วก็จะเกิดทีๆบ่อยๆขึ้นเพราะว่าคุ้นเคยที่จะเกิดกุศล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 เป็นสมร ะ, ะน ะ, <ค>ะเพราะวิปัสสนาเนี่ยต้องเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความทนอยู่ไม่ได้เห็นการบังคับไม่ได้นะขอบคุณพระพเรานนะ้ากับนักสการค่ะขอส่งการบ้านนะคะออคือเห็นความรู้ส่งออกไปรู้สิ่งที่ถูกรู้นะคะแล้วทีนีออ้มันก็สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นนะคะ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 เรียกว่าภาวนาเป็นแล้วดังนั้นหัดรู้สภาวะไปแล้วสภาวะทั้งหลายเนี่ยจะสอนไกรลักเราจะแสดงไกรลักษ์ให้ดูอย่าไปตรึงสภาวะใดๆให้นิ่งอย่าบังคับกายให้นิ่งอย่าบังคับใจให้นิ่งปล่อยให้เขาทำงานไปขอบพระคุณค่ะพธ ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะที่ผ่านมาโยมเห็นรู้สึกมีความสุขหลายๆครั้งเจ้าค่ะแล้วก็ใจโล่งๆแล้วรู้สึกว่า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 ผมปฏิบัติมาช่วงหนึ่งครับตามดูกายตามดูใจมาไม่ทราบว่าตอนนี้ถูกใช้ได้ขอบคุณครับดูเรื่อยๆนะดูไปเรื่อยเสร็จแล้วกายกับใจจะสอนธรรมะเราเองเอ้าวไปถึงไหนแล้วกลับนาะงมัสการหลวงพ่อคะ่ะจะขอถามว่าพี่ภาวนาอยู่ถูกหรือเปล่าคา่ลออ ก, กันบ้านกันหรือเปล่า <laughs> ถามเหมือนกันทุกคนเลย <laughs>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 ในกิเลส จ, จะไม่ปล่อยเราง่ายๆนะจาต้องสู้กันหน้าดูเลยงั้อย่าไปหลงกลเวลาภาวนาแล้วสงสัยขึ้นมารู้ว่ากำลังสงสัยอย่าไปคิดมากนะไม่ต้องฉลาดไปหาคำตอบหรอกเราแค่เห็นว่าความสงสัยมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับไปเหตุของมัคือเรานั่งคิดเคิดไปคิดมายังไม่เข้าใจก็สงสัยขึ้นมาหรือกระทั่งความโลภและความโกรธนกะ็ เ, เกิดจากความคิด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 ด้วความเคยชินนะที่มันสะสมไว้โทรสามนันเยอะแล้วขึ้นมาแ ล, แล้วรู้วางรู้วางนี่ถูกแล้วรู้วางไปเรื่อยเวลาที่อนุสัยมันทำงานขึ้นมาแล้วเรามีสติเราไม่ตอบสนองกิเลสอนุสัยนะันลงทุนแล้วล้วก็ขัดทุนไปในที่สุดอนุสัยจะค่อยๆ อ, อ, อ่อนกำลังลงอีกหน่อยก็หายของโยมเนี่ยบังคับตัวงแรงไป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 นะคือจริงๆโค้าตามหมดแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ตอนที่หลวงพ่อถามว่ามีใครกล้าให้หลวงพ่อถามบ้างเนะี่ยมีคนยกมืออยู่คนหนึ่งช่วยยกออเอาไหมไปให้ใหน่อย <ๆ S 2> อันนี้ให้คนสุดท้ายนะครับสวัสดีสกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเวลาส่งกันบ้านที่ไลสิ่งที่รู้ชัดที่สุดคือรู้ว่าหัวใจเต้นค่ะออาดีอย่าให้หยุดนะไม่หยุดค่ะ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 อะไรชื่อว่าหนึ่งแล้วถามไปงนั้นแหละเนาะตอบไม่ได้หรอกขอบพคุณค่ะมีนะมีปริภาชกผู้หญิงเ่ยเรียกปริภาชิกาที่เขาไปท้าคนเ้าโต้วาทีเรื่อยๆเอากิ่งว่าไปปักถ้าใครแชโต้ด้วยนะก็มาถอนกิ่งนี้วันหนึ่งภาษาริบุตรจะไปรับคำท้าแกถามภาษาลิบุตรนะภาษาริบุต ร, รตอบได้หมดเลย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 ยะถาวาริวหาปุราปริปูเรนตีสาขารังเอวเมวายโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิจตุสภเปูเรนตูสังกปาจันโดปนารโสยะถามณีโชติราโสยะถาสัพพิตโยวิวัตชนตูสัพโรโควินาสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายยโภวะ